พาณสูตรว่าด้วยนิพพานครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งหน้าที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่นิพพานในปัจจุบัน ท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านอานนนสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นหานภาคิยสัญญาสัญญาฝ่ายเสื่อมไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทิติาคิยสัญญาสัญญาฝ่ายดํารงไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นวิเศษาคิยสัญญาสัญญาฝ่ายวิเศษ ไม่ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นนิเทพทกตรยญสัญญาสัญญาฝ่ายชําแรกกิเลสท่านอานนนนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่นิพพานในปัจจุบันท่านพระอานนนถามว่าท่านสารีบุตรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้นิพพานในปัจจุบันพระสารีบุตรตอบว่าท่านอานน์ สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นหานภาคิยสัญญาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นติติภาคียสัญญาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นวิเสสภาคิยสัญญาทราบชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นนิเพทภาคิยสัญญาท่านอานนน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 สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอนันตเจดีโพคณนครณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาประเทศสี่ประการ น, นี้เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมหาประเทศสีประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุเขาพระเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัย นี้เป็นสัตว์ศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่า นี้มิใช่ดารัดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุเขาพระเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตุศาสเธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีและพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินยัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาด้วยดี เธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่หนึ่งนี้ไว้ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อโน้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปามโมกเขาพเจ้าได้สดาพระมาเฉพาะหน้าสง์นั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตวศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้น พึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้มิใช่ดำรัตของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและสงนั้นรับมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคานั้นเสีย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาว่าชื่นโ น, นส่งอยู่พร้อมด้วยพระเถระพร้อมด้วยปาโมกข้าพเจ้าได้สะดับรับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตร เทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นดำรัดของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและสงนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สองนี้ไว้ 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ในอาว่าชื่โนโหนมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่จำนวนมากเป็นพหูสูตรเรียนจบคำภีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเทระเหล่านั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตวศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดี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 แล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นดํารัตของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเทระเหล่านั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สามนี้ไว้สี่ ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาว่าชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูสูตรเรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาขขาพเจ้าไดสดับรบมาเฉพาะหน้าพระเทระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นสัตวศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคากล่าวของผู้นั้น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 ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวะชื่อโน้นมีภิกษุผู้เป็นเทระอยู่รูปหนึ่งเป็นพหูสูตรเรียนจบคำภีร์ทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาเขาพระเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเทระรูปนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตวศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคํากล่าวของผู้นั้น พงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีและพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแน่นอนและพระเถระรูปนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจํามหาประเทศประการที่สี่นี้ไว้ ภิกษุทั้งหลายมหาประเทศสประการนี้แหละมหาประเทศสูตรที่ส0บจบสัญญาเจตนียะวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เจตนาสูตร 2. วิพัติสูตร 3. มหาโกติตะสูตร 4. อนันทสูตร 5. อุปวานะสูตร หอายาจนะสูตร 7. ราหุละสูตร 8. ชัมพาลีสูตร 9. นิพพานสูตร 10. มหาปเทสะสูตร 4. โยธาชีวะวะัต หมวดว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพ 1. โยธาชีวสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของนักรบอาชีพพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพผู้ประกอบด้วยองค์สีประการย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชาถึงการนับได้ว่าเป็นราชองครักษ์โดยแท้ องคศีประการอะไรบ้างคือนักรบอาชีพในโลกนี้ 1. ฉลาดในฐานะ 2. ยิงลูกศรได้ไกล 3. ยิงไม่พลาด 4. ทํทำลายกายขนาดใหญ่ได้ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพผู้ประกอบด้วยองสีประการนี้แลย่อมคู่ควรแก่พระราชาเหมาะแก่พระราชา ถึงการนับว่าเป็นราชองค์รัก์โดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักสินาควรแก่การทําอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรมสีประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งฉลาดในฐานะ สยิงลูกศรได้ไกล 3. ยิงไม่พลาด 4. ทําลายกายขนาดใหญ่ได้ภิกษุฉลาดในฐานะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุชื่อว่าฉลาดในฐานะเป็นอย่างนี้แหลภิกษุยิงลูกศรได้ไกลเป็นอย่างไร คือพิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกอย่าหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง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 ภิกษุยิ่งไม่พลาดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกละถึงนี้ทุกขณนิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุชื่อว่ายิ่งไม่พลาดเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทำลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้ ภิกษุชื่อว่าทำลายกายขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้แหละย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกโยธาชีวสูตรที่หนึ่งจบ ปาติโพคสูตรว่าด้วยธรรมที่ไม่มีใครประกันได้ภิกษุทั้งหลายไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกที่จะประกันธรรมสี่ประการธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่งไม่มีใครเลยไม่ว่าจะเป็นสมณนะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลก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 หรือใครๆ ใ, ในโลกที่จะประกันทรสม4ประการ น, นี้แหละปาติโภคสูตรที่สองจบ 3. สุตะสูตรว่าด้วยสิ่งที่ได้ฟัง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 ข้าแต่พระโคดมเขาพระเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนเห็นว่าเราได้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดนั้นผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนได้ฟังว่าเราได้ฟังอย่างนี้ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดนั้นผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนรู้ว่าเราได้รู้อย่างนี้ ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดนั้นผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวถึงสิ่งที่ตนรู้แจ้งว่าเราได้รู้แจ้งอย่างนี้ย่อมไม่มีโทษเพราะการพูดนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามเราไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้เห็นเป็นสิ่งควรกล่าวและไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้เห็นเป็นสิ่งไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้ฟังเป็นสิ่งควรกล่าว และไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้ฟังเป็นสิ่งไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้ทราบเป็นสิ่งควรกล่าวและไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่ได้ทราบเป็นสิ่งไม่ควรกล่าวเราไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่รู้แจ้งเป็นสิ่งควรกล่าวและไม่กล่าวว่าทุกสิ่งที่รู้แจ้งเป็นสิ่งไม่ควรกล่าวพราหมณ์เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้เห็น อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้เห็นอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้เห็นเช่นนี้เป็นสิ่งควรกล่าวเมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ฟังอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวว่า สิ่งที่ไ DE ด้ฟังเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ฟ ja ังอกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้ฟังเช่นนี้เป็นสิ่งควรกล่าวเมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่ได้ทราบกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวว่าสิ่งที่ได้ทราบเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรกล่าว แต่เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที<ๆ>่ได้ทราบกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวว่าส <face> <m ales> <m ales> ิ่งที่ได้ทราบเช่นนี้เป็นสิ่งควรกล่าวเมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่รู้แจ้งกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปเรากล่าวว่าสิ่งที่รู้แจ้งเช่นนี้เป็นสิ่งไม่ควรกล่าวแต่เมื่อบุคคลกล่าวถึงสิ่งใดที่รู้แจ้ง อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวว่าสิ่งที่รู้แจ้งเช่นนี้เป็นสิ่งควรกล่าวครั้งนั้นแหลวัสการพราม์ผู้เป็นมหาอามาตย์แห่งแคว้นมคตชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งจากไปสุตสูตรที่สามจบ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 ข้าพระพุทธเจ้ามีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาชื่อว่าไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายย่อมไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่และบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายก็มีอยู่ บุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในากามทั้งหลายโรคหนักบางอย่างกระทบเขาเข้าเมื่อเขาถูกโรคหนักบางอย่างกระทบเข้า จึงมีความคิดอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจักละเราไปหนอและเราก็จักละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกลาบากใจร่าไรทุบอกคร่ำครวนถึงความเลอะเลือนนี้แหละคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายยังมีอีกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกาหนัด ไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความอยากในการทั้งหลายโรคหนักบางอย่าง ก, กระทบเขาเข้าเมื่อเขาถูกโรคหนักบางอย่างกระทบเข้าจึงมีความคิดอย่างนี้ว่า <S <S <unos>. <S กายอันเป็นที่รัก <S <S จักละเราไปหนอและเราก็จักละกายอันเป็นที่รักไป เขาย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความเลอะเลือนนี้แหละคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายยังมีอีกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ได้ทำความดีไว้ยังไม่ได้สร้างกุศลไว้ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวทำแต่ความชั่วทำแต่กรรมหยาบช้า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 ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวทำแต่ความชั่วทำแต่กรรมหยาบช้าทำแต่กรรมเศร้าหมองนั้นเขาย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความเลอะเลือนนี้แหละคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดากลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายยังมีอีกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความสงสัยเคลือบแคลงใจ ไม่ถึงความตกลงใจในสัตธรรมโรคหนักบางอย่างกระทบเขาเข้าเมื่อเขาถูกโรคหนักบางอย่างกระทบเข้าจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเรามีความสงสัยเคลือบแคลงใจไม่ถึงความตกลงใจในสัตธรรมนอเขาย่อมเศร้าโศกลำบากใจเริ่มไรทุอบอกคร่ำครวญถึงความเลอะเลือนนี้แหละคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดา กลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายพราหมณ์บุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาสี่จำพูกนี้แลกลัวถึงความสะดุ้งต่อความตายบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ปราศจากความกำนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหาย ปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความอยากในกามทั้งหลายโรคหนักบางอย่างกระทบเขาเข้าเมื่อเขาถูกโรคหนักบางอย่างกระทบเข้าก็ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่ากามอันเป็นที่รักจกละเราไปหนอและเราก็จะละกามอันเป็นที่รักไปเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่าครวญไม่ถึงความเละเลื่อน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 ก็ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่ากายอันเป็นที่รักจักละเราไปหนอและเราก็จักละกายอันเป็นที่รักไปเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุอบอกคร่ำครวญไม่ถึงความเลอะเลือนนี้แหละคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายยังมีอีกบุคคลบางคนในโลกนี้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 และทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้เราตายแล้วจะไปสู่คติของผู้ไม่ได้ทําความชั่วไว้ไม่ได้ทํากรรมหยาบช้าทําแต่ความดีทําแต่กุศลและทําที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้นั้นเขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลําบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ําครวญไม่ถึงความเลอะเลือนนี้แหละคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดา ไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายยังมีอีกบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีความสงสัยเคลื่อนแปลงใจถึงความตกลงใจในสัตยธรรมโรคหนักบางอย่างกระทบเขาเข้าเมื่อเขาถูกโรคหนักบางอย่างกระทบเข้าจึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่มีความสงสัยไม่เคลื่อนแปลงใจถึงความตกลงใจในสัตยธรรม เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุกอกคล่ำครวญไม่ถึงความเลอะเลือนนี้แหลคือบุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายพรา์บุคคลผู้มีความตายเป็นธรรมดาสี่จำพวกนี้แลไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายชานุโสนิพราบเรียกกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดม พระพาสิ์ของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคโดมจงทรงจำค่าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอภยสูตรที่สจบ สมณะสัจจสูตรว่าด้วยสัจจะที่เป็นเหตุให้ไม่สําคัญตนว่าเป็นสมณนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูดเคครุงราชครื้ก็สมัยนั้นแลปริพาชกผู้มีชื่อเสียงหลายท่านคืออนนภาระวรธาระสกุรุทายีและปริพาชกที่มีชื่อเสียงอื่นๆ อาศัยอยู่ที่อารามของปริพาชกริมฝั่งแม่น้ำสั ป, ปินีครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรนเข้าไปยังอารามของปริพาชกริมฝั่งแม่น้ำสั ป, ปินีขณะนั้นแหลปริพาชกผู้เป็นแอญยะเดรธีเหล่านั้นกําลังประชุมสนทนาเรื่องนี้ว่าสัจจะของพรามเป็นอย่างนี้สัจจะของพรามเป็นอย่างนี้ลาดับนั้นและ พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาปริพาชกทั้งหลายถึงที่พำนักประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามปริพาชกเหล่านั้นว่าปริพาชกทั้งหลายบัดนี้พวกท่านนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเรื่องอะไรที่พวกท่านสนทนากันค้างไว้ปริพาชกทั้งหลายทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมณสถานที่นี้ พวกข้าพเจ้ามาชุมนุมกันตั้งประเด็นสนทนากันเรื่องนี้ว่าสัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้สัจจะของพราหมณ์เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปริพาชกทั้งหลายสัจจะของพราหมสี่ประการนี้อันเราทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามสัจจะของพราหมสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง พราหมณ์ในธรรมวินัยนี้กล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งปวงไม่ควรถูกฆ่าพราหมณ์เมื่อกล่าวอย่างนี้ชื่อว่าพูดจริงไม่ใช่พูดเท็จเพราะการพูดนั้นเขาจึงไม่สําคัญตนว่าเป็นสมณนะไม่สําคัญตนว่าเป็นพราหมณ์ไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้เสมอเขาไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขา และเขารู้สัจจะในข้อปฏิบัตินั้นจึงปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย 2. พรามกล่าวอย่างนี้ว่ากามทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันไปเป็นธรรมดาพรามเมื่อพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดจริงไม่ใช่พูดเท็จเพราะการพูดนั้นเขาจึงไม่สำคัญตนว่าเป็นสมณนะไม่สาคัญตนว่าเป็นพราม ไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาไม่สาคัญตนว่าเป็นผู้เสมอเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ร่ยกว่าเขาและเขารู้สัจจะในข้อปฏิบัตินั้นจึงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับกามทั้งหลายสามพร่มกล่าวอย่างนี้ว่าพบทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกขมีความแปรผันไปเป็นธรรมดา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 เพื่อดับพบทั้งหลาย 4. พราหม์กล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีเราเป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนๆและไม่มีผู้อื่นเป็นที่กังวลของเราในที่ไหนๆพราหม์เมื่อพูดอย่างนี้ชื่อว่าพูดจริงไม่ใช่พูดเท็จเพราะการพูดนั้นเขาจึงไม่สําคัญตนว่าเป็นสมณนะไม่สําคัญตนว่าเป็นพราหม์ไม่สําคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขา ไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้เสมอเขาไม่สำคัญตนว่าเป็นผู้ด้อยกว่าเขาและเขารู้สัจจะในข้อปฏิบัตินั้นจึงปฏิบัติปฏิปทาที่ไม่ให้กังวลปริภาชกทั้งหลายสัจจะของพราหมณ์สี่ประการนี้แหลอันเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วจึงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามสมณะสัจจะสูตรที่ห้าจบ มะมักสูตรว่าด้วยผู้มีปัญญาไฝ่รู้ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถังที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกอันอะไรหนอแลนำไปโลกอันอะไรชักนำมา และบุคคลย่อมรู้อำนาจอะไรที่เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละพิกษุปัญญาไฟรู้ของเธอดีนักปฏิพาณดีนักสอบถามเข้าทีเธอถามอย่างนี้ว่าโลกอันอะไรหนอแลนำไปโลกอันอะไรชักนำมาและบุคคลย่อมรู้อำนาจอะไรที่เกิดขึ้นหรือพิกษุกราบทูลว่า อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุโลกอันจิตนำไปอันจิตชักนามาและบุคคลย่อมรู้อำนาจจิตที่เกิดขึ้นภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาควา่าสาธุพระพุทธเจ้าค่าแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลที่เรียกว่าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุปัญญาไฝ่รู้ของเธอดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีเธอถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ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 อิติวุตกะชาตกะอภูตรธรรมเวทันละถ้าแม้ภิกษุรู้อดรู้ธรรมแห่งคะถาสี่บาทแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ควรเรียกว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลที่เรียกว่าผู้สดับมีปัญญาชำแหละกิเลสผู้สดับมีปัญญาชำแรกะกิเลสด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลบุคคลจึงเป็นผู้สดับมีปัญญาชำแรกะกิเลสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกสุปัญญาไฝรู้ของเธอดีนักปฏิพานดีนักสอบถามเข้าทีเธอถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลที่เรียกว่าผู้สดับมีปัญญาชําแรกยิเลสผู้สดับมีปัญญาชําแรกยิเลดโดยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้สดับมีปัญญาชําแรกยิเลศหรือภิกษุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปอีกว่าภิกษุในธรรมวิในนี้ได้สดับว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยเหตุเกิดทุก นี้ทุกขน์นโรธความดับทุกข์นี้ทุกขน์นโรคทคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์และเห็นแจ้งแทงตลอดเนื้อความแห่งคําที่สดับนั้นด้วยปัญญาบุคคลผู้สดับมีปัญญาชําแรกยิเลตเป็นอย่างนี้แหลภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปอีกว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเป็นบัณฑิตมีปัญญามากด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นบัณฑิตมีปัญญามากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละภิกษุปัญญาใฝ่รู้ของเธอดีนักปฏิภาณดีนักสอบถามเข้าทีเธอถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลที่เรียกว่าเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเป็นบัณฑิตมีปัญญามากด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอะบุคคลจึงเป็นบัณฑิตมีปัญญามากหรือภิกษุกราบทูลว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบุคคลในธรรมวินัยนี้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนเอง ไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเพื่อเบียดเบียนสองฝ่ายเมื่อคิดย่อมคิดเกื้อกูลตนเองเกื้อกูลผู้อื่นเกื้อกูลสงฝ่ายและเกื้อกูลชาวโลกทั้งหมดทีเดียวบุคคลเป็นบัณฑิตมีปัญญามากเป็นอย่างนี้แหลอุมามัคูตรที่หจบ